พระไตรปิฎกเล่มที่อดพระสูตรที่หสัมปรสาธนียสูตรว่าด้วยความเลื่อมใสยิ่งในพระผู้มีพระภาคการบรรลือศีห a n าตของพระสาวรีบุตรพร้อมการแจกแจงหัวข้อการแสดงธรรมอันยอดเยี่ยมของพระพุทธเจ้าโดยลำดับสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปาวาริกัมพวันเขตเมืองนาลันทาครั้งนั้น ท่านพระสารีบุตรสันเสริมพระพุทธองค์ดังนี้ว่าข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าไม่เคยมีจากไม่มีและย่อมไม่มีสมณะหรือพรามผู้อื่นซึ่งจะมีปัญญาในทางพระสัมโพธิญาณยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรเธอกล่าวอาสพิวาจาคือวาจาอย่างองอาจอย่างสูง เธอถือเอาด้านเดียวคือถือเอาการสันนิษฐานด้วยอนุมานของตนเองเท่านั้นหรือเพราะเธอมีเจตวปริยายานมีฤทธิ์ทางใจรู้จิตผู้อื่นจึงบรรลือศีหนาฏออกมาดังนั้นพระสารีบุตรทูลตอบว่ามั่นใจสิ่งที่พูดด้วยการอนุมานเปรียบเหมือนนายประตูผู้ฉลาดเป้าทางเข้าออกตรวจกำแพงทุกด้านไม่เห็นช่องทางที่ใครจะลอดออกได้ นอกจากประตูนี้ทางเดียวเท่านั้นตัวท่านเองคือพระสารีบุตรก็เป็นเช่นนั้นรู้ในแห่งธรรมะว่าพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตปัจจุบันทรงละนิวรณ์ห้าอันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตอันทำปัญญาให้อ่อนกำลังทรงตั้งจิตไว้ด้วยดีในสติปัฏฐาน 4, สี่ทรงเจริญโพชฌงเจ็ดตามเป็นจริงแล้ว จึงได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมท่านได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพื่อสดับธรรมเมื่อสดับแล้วก็รู้ยิ่งในธรรมะนั้นถึงความสําเร็จในอริยสัจธรรมเลื่อมใสในพระสัจดาว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคแสดงดีแล้วพระสงฆ์ปฏิบัติดีแล้ว พระสารีบุตรได้ทูลถึงเทสนาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่ท่านที่นับว่ายอดเยี่ยมทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันทรงรู้ยิ่งทมข้อนั้นไม่เหลืออยู่ก็ไม่มีทรข้ออื่นที่จะทรงรู้ยิ่งขึ้นไปอีกจะพึงมีสมณะหรือพรามอื่น ผู้รู้ธรรมยิ่งมีปัญญาเกินไปกว่าพระผู้มีพระภาคในเรื่องกุศลธรรมทั้งหลายอีกหรือพระสารีบุตรได้ทูลถึงเทศนาของพระผู้มีพระภาคที่ทรงแสดงแก่ท่านที่นับว่ายอดเยี่ยมตามลำดับดังนี้ข้อที่หนึ่งเรื่องกุศลธรรมทั้งหลายนับว่ายอดเยี่ยมคือโพธิปัจคียธรรม37ประการคือหนึ่งสติปัฐานสี่ สองสมัปประธาน4 3. อิทธิบาทสี 4. อิน 5, 5, รีย์้หละห 6. โพชงเจและ 7. อริยมัติมีองค์8ข้อที่สองเรื่องการบัญญัติอายตนะคืออายตนะภายในและอายตนะภายนอกมีอย่างละหประการนี้คือ 1. ตากับรูป 2. หูกับเสียง 3. จมูกกับกลิ่น 4. ลิ้นกับรส 5. กายกับโภทพะคืออารมณ์ที่สัมผัสถูกต้องด้วยกาย 6. ใจกับธรรมารมคืออารมณ์ที่เกิดทางใจข้อที่สเรื่องการก้าวลงสู่คันสีประการคือหนึ่งสัตว์บางชนิดในโลกนี้ ไม่รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่คันขณะอยู่ในคันขณะคลอดจากคันของมารดา 2. รู้สึกตัวขณะก้าวสู่คันแต่ไม่รู้สึกตัวขณะอยู่ในคันและขณะคลอดจากคันภามรู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่คันรู้สึกตัวขณะอยู่ในคันแต่ไม่รู้สึกตัวขณะคลอดจากคันภี่รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่คัน ขณะอยู่ในคันของมารดาและขณะคลอดจากคันของมารดาข้อที่สเรื่องอาเทสนาปาฏิหาร4ประการคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้ดักใจได้ด้วยนิมิตว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นไปโดยอาการอย่างนี้ความคิดของท่านเป็นดังนี้ 2. บุคคลบางคนในโลกนี้ มิได้ดักใจได้ด้วยนิมิตแต่ได้ฟังเสียงของมนุษย์มนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายแล้วจึงดักใจได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นไปด้วยอาการอย่างนี้ความคิดของท่านเป็นดังนี้ 3. บุคคลบางคนในโลกนี้มิได้ดักใจได้ด้วยนิมิตทั้งมิได้ฟังเสียงของมนุษย์มนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายแล้วดักใจได้เลย แต่ได้ฟังเสียงละเมอของผู้วิตกวิจารจึงดักใจได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นไปด้วยอาการอย่างนี้ความคิดของท่านเป็นดังนี้ 4. บุคคลบางคนในโลกนี้มิได้ดักใจได้ด้วยนิมิตมิได้ฟังเสียงของมนุษย์อมนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายแล้วดักใจทั้งมิได้ฟังเสียงละเมอของผู้วิตกวิจารแล้วดักใจได้เลย ได้ย่อมกำหนดรู้ใจของผู้ได้สมาธิซึ่งยังมีวิตกวิจาร์ด้วยใจได้ว่ามโนสังขารของท่านผู้นี้ตั้งอยู่ด้วยประการใดเขาจะต้องตรึกถึงวิตกชื่อนี้ในลำดับจิตนี้ด้วยประการนั้นข้อที่หเรื่องทัศนสมาบัติทัศนสมาบัติสี่ประการนี้คือหนึ่ง สมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้เข้าฌานโดยวิธีดังนี้คืออาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมั่นความมั่นประกอบความไม่ประมาทคือมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีคือพิจารณาโดยอุบายวิธีที่แยบขายแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทาจิตให้ตั้งมั่น ย่อมพิจารณากายนี้ตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีอาการ32ประการต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้น 2. ปฏิบัติตามข้อหนึ่งดังกล่าวคือการเข้าชาบนบรรลุเจโตสมาธิ แล้วพิจารณาอาการ32มีผมขนเล็บปันหนังเป็นต้นและก้าวข้ามผิวหนังเนื้อและเลือดของบุรุษไปพิจารณากระดูก 3. เข้าฌาบนบรรลุเจโตสมาธิแล้วพิจารณาอาการ32มีผมเป็นต้นก้าวข้ามผิวหนังเนื้อและเลือดของบุรุษไปพิจารณากระดูกและรู้กระแสวิญญาณของบุรุษ ซึ่งกำหนดโดยส่วนสองคือที่ตั้งอยู่ในโลกนี้และที่ตั้งอยู่ในโลกหน้า 4. เข้าฌานบรรลุเจโตสมาธิแล้วพิจารณาอาการ32มีผมเป็นต้นก้าวข้ามผิวหนังเนื้อและเลือดของบุรุษไปพิจารณากระดูกและรู้กระแสวิญญาณของบุรุษซึ่งกำหนดโดยส่วนสองคือที่ไม่ตั้งอยู่ในโลกนี้และที่ไม่ตั้งอยู่ในโลกหน้า ข้อที่ 6. เทศนาเรื่องปุคละบัญญัติเรื่องปุคละบัญญัติบุคคลเจ็ดจำพวกนี้คือ 1. นึ่งอุพโตภาคาวิมุตต์ผู้หลุดพ้นทั้งสองส่วนหมายถึงผู้บำเพ็ญสมถกรรมฐานจนได้อารู ป, ปสมาบัติและใช้สมถะเป็นฐานในการบำเพ็ญวิปัสสนาจนได้บรรลุอรหัตผล 2. ปัญญาวิมุตต์ผู้หลุดพ้นด้วยปัญญา หมายถึงผู้บำเพ็ญวิปัสสนาล้วนจนบรรลุอรหัตผล 3. กายสาักขีผู้เป็นพยานในนามกายหมายถึงผู้มีศรัทธาแก่กล้าได้สัมผัสวิโมกข์แปดด้วยนามกายและอาสวะบางอย่างก็สิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาและหมายถึงพระอริยบุคคลผู้บรรลุโสดาปฏิพลขึ้นไปจนถึงท่านผู้ปฏิบัติเพื่ออรหัตผล 4. ทิฏฐิปัตตะผูบันลุสัมมาทิฏฐิหมายถึงผู้บรรลุสัมมาทิฏฐิเข้าใจอริยสัจ ถ, ถูกต้องกิเลสบางส่วนสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญามีปัญญาแก่กล้าและหมายถึงผู้บรรลุโซดาปฏิพลจนถึงผู้ปฏิบัติเพื่ออรหัตผลห้าศรัทธาวิมุตติผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธา หมายถึงผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธาเข้าใจอริยสัจ ถ, ถูกต้องกิเลสบางส่วนก็สิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญามีศรัทธาแก่กล้าและหมายถึงผู้บรรลุโสดาปติผลจนถึงผู้ปฏิบัติเพื่ออรหัตผล 6. ธรรมานุสาวรีผู้แล่นไปตามธรรมคือผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปติผล มีปัญญาแก่กล้าบรรลุผลแล้วกลายเป็นทิฏฐิปัตติกเจ็สัทธานุสาวรีผู้แล่นไปตามศรัทธาคือผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปติผลมีศรัทธาแก่กล้าบรรลุผลแล้วกลายเป็นศรัทธาวิมุตติข้อที่เจเทสนาเรื่องประทาน เรื่องประธานคือโพชงเจ็ประการนี้ได้แก่ 1. สติสัมพोชงธรรมะเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้ 2. ธรรมะวิจยะสัมพोชงธรรมะเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือการเฟ้นธรรม 3. วิริยะสัมพोชงธรรมะเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเพียร 4. ปีติสัมโพชงธรรมะเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความอิ่มใจห้าปสัสสธิสัมโพชงธรรมะเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความสงบกายสงบใจหกสมาธิสัมโพชงธรรมะเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความตั้งจิตมั่น 7. อุเบกขาสัมโพชง ธรรมะเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความวางใจเป็นกลางข้อที่8เทศนาเรื่องปฏิปทาปฏิปทาสีประการนี้คือ 1. ทุกขาปฏิปทาทันทาพินยาปฏิบัติลำบากและรู้ได้ช้า 2. ทุกขาปฏิปทาขิดปาภิญญาปฏิบัติลำบาก แต่รู้ได้เร็ว 3. ส, สุขขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้า 4. สุขขาปฏิปทาคิดปาพิญญาปฏิบัติสะดวกและรู้ได้เร็วสำหรับข้อนี้เป็นข้อปฏิบัติประณีตคือเดียที่สุดกว่าข้ออื่นข้อที่เก้า เทศนาเรื่องมารยาทการพูดและศีลเรื่องมารยาทการพูดบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่พูดวาจาเกี่ยวด้วยมุสาวาทไม่พูดวาจาอันทําความแตกร้าวกันไม่พูดวาจาอันส่อเสียดไม่มุ่งเอาชนะกันกล่าววาจาอันเกิดจากความแข่งดีกันกล่าวแต่วาจาอันมีหลักฐานด้วยปัญญาชื่อว่ามันตาตามการสมควร เรื่องมารยาทคือศีลคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนมีสัจจะมีศรัทธาไม่พูดหลอกลวงในที่นี้หมายถึงด้วยอาการสาคือหนึ่งพูดเรียบเคียง 2. แสแงแสดงอิริยาบถคือยืนเดินนั่งนอนให้หน้าเลื่อมใส 3. แสแงปฏิเสธปัจจัยไม่พูดป้อยย่อ หมายถึงพูดยกย่องมุ่งหวังลาบส ก, การะและชื่อเสียงไม่ทํานิมิตหมายถึงแสดงอาการทางกายทางวาจาเพื่อให้คนอื่นให้ทานเช่นการพูดเป็นเลสนัยพูดเรียบเคียงไม่พูดบีบบังคับหมายถึงด่าพูดขม่มพูดนินทาตําหนิโทษพูดเหยียดยามและการนําเรื่องไปประจานตลอดถึงการพูดสรรเสริญต่อหน้านินทารับหลัง ไม่สแสวงหาลาบด้วยลาบหมายถึงได้อะไรเอามาฝากเขาทาให้เขาเกรงใจต้องให้ตอบแทนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนมีสัจจะมีศรัทธาไม่พูดหลอกลวงไม่พูดป้อยอไม่ทำนิมิตไม่พูดบีบบังคับไม่สแสวงหาลาบด้วยลาบคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในการบริโภคทาพอเหมาะพอดีประกอบความเพียร เครื่องตื่นอยู่หนึ่งเนืองไม่เกียจคร้านปรารบความเพียนเพ่งฌานมีสติพูดมีปฏิภาณดีมีคติมีปัญญาทรงจำมีความรู้ไม่ติดอยู่ในกามมีสติมีปัญญาเครื่องรักษาตนข้อที่10เทศนาเรื่องวิธีสั่งสอน วิธีสั่งสอนสี่ประการนี้คือพระผู้มีพระภาคทรงทราบบุคคลอื่นด้วยทรงมนาสิการโดยแยกคายเฉพาะพระองค์ว่าบุคคล น, นี้เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอนจะเป็นพระโสดาบันเพราะสั่งยศสามประการสิ้นไปไม่มีทางตกตำ่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าสัมโพธิในที่นี้หมายถึงมรรษาเบื้องสูง คือ 1. สกธาคามิมักสออนาคามิมักและสาอารหัตมักบุคคล น, นี้เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอนจกเป็นพระสกะธาคามีเพราะสังโยชนสมประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ บุคคล น, นี้เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอนจกเป็นอบปฏิกะคือเป็นพระอนาคามีเกิดเป็นเทพในชั้นสุททาวาสเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปปรินิพานในโลกนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกบุคคล น, นี้เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอนจะทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันข้อที่11เทศนาเรื่องความอย่างรู้การหลุดพ้นของบุคคลอื่นความอย่างรู้การหลุดพ้นในที่นี้หมายถึงความรู้ในเรื่องการละอิเลตของผู้อื่นมีดังนี้พระผู้มีพระภาคทรงทราบบุคคลอื่น ด้วยทรงมณสิการโดยแยก่ายเฉพาะพระองค์ว่าบุคคลนี้จะเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกต่าจะบรรลุอรหันต์ในวันข้างหน้าบุคคลนี้จะเป็นพระสกทาคามีจะกลับมาโลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวจะบรรลุอรหันต์ได้บุคคลนี้จะเป็นพระอนาคามีเป็นอบปติกะในชั้นสุดทาวาสไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกบรรลุอรหันต์บนเทวโลกนั้น บุคคลนี้จะทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันข้อที่12เทศนาเรื่องสัสตวาทะเรื่องสัจสตวาทะคือลัท ธ, ธิที่ถือว่าอัตตาและโลกเที่ยงสมณะหรือพราะบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมัน่น ความหมั่นประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำจิตให้ตั้งมั่นระลึกชาติก่อนได้หลายชาติหลายร้อยชาติบางพวกระลึกได้หลายกับระลึกรู้ได้ถึงการเกิดตายในแต่ละชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติเขาจึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ารู้อดีตการได้ว่า โลกเคยเสื่อมมาแล้วหรือเคยเจริญมาแล้วอันหนึ่งข้าพเจ้ารู้อนาคตการว่าโลกจากเสื่อมหรือว่าจากเจริญอัตตาและโลกเที่ยงยั่งยืนส่วนสัตว์เหล่านั้นย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปจุติและเกิดแต่มีสิ่งที่เที่ยงอยู่แน่สำหรับส่วนนี้เนื้อหาโดยละเอียดฟังได้จากหัอข้อทิฏฐิ62ในพรมาชาลสูตร ข้อที่ 13. เทศนาเรื่องความยังรู้ที่ทําให้ระลึกชาติได้สมณะหรือพราหมะบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทําจิตให้ตั้งมั่นระลึกชาติก่อนได้หลายชาติตลอดสังวัตกกก ต, ววตกับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตตกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนี้มีตระกูลมีวันณนะมีอาหาร สวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุดติจากพบนั้นก็ไปเกิดในภพโน้นเขาเราลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้สัตว์ทั้งหลายที่ไม่อาจจะกําหนดอายุไม่ว่าด้วยการคํานวณหรือด้วยการนับมีอยู่สัตว์ที่เคยอาศัยอยู่ในอัตภาพใดๆไม่ว่าจะเป็นในรูปประพบอรูปประพบสัญญีภพบสัญญีภพบ หรือเนวสญญนาสัญญีนาสัญญีภพก็มีอยู่เขาระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ข้อที่14เทสนาเรื่องความอย่างรู้การจุดติและการอุบัติสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส บรร ล, ลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทําจิตให้ตั้งมั่นเห็นหมูสัตว์ที่กําลังจุติกําลังเกิดทั้งชั้นต่ําและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยทิพยจักสุกอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมูสัตว์ที่ประกอบกรรมชั่วตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกแต่หมูสัตว์ที่ประกอบด้วยกรรมดี มีกายสุจริตวจีสุจริตและมนโนสุจริตตายแล้วจะไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์ข้อที่15เทศนาเรื่องการแสดงฤทธิ์การแสดงฤทธิ์สองประการ 1. ฤทธิ์ที่มีอาสวะมีอุปธิหมายถึงมีโทษมีข้อติเตียนไม่เรียกว่าอริยะ 2. ฤตที่มีอาสวะมีอุปธิไม่เรียกว่าอาริยะคือสมณะหรือพระ บ, บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำจิตให้ตั้งมั่นก็แสดงฤธิได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงโพรมโลค ก, ก็ได้ฤทธิที่ไม่มีอาสวะไม่มีอุปธิเรียกว่าอาริยะเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงมีสัญญาหมายถึงความจำได้หมายรู้ในสิ่งที่ปฏิกูลว่าไม่ปฏิกูลอยู่ก็ยอมมีสัญญาดังนั้นถ้าหวังอยู่ว่า เราเพึงมีสัญญาในสิ่งที่ไม่ปฏิลว่าเป็นสิ่งปฏิลอยู่ก็ย่อมมีสัญญาดังนั้นถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงมีสัญญาในสิ่งที่ปฏิลและไม่ปฏิลว่าไม่ปฏิลอยู่ก็ย่อมมีสัญญาดังนั้นถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงมีสัญญาในสิ่งปฏิลและไม่ปฏิลว่าเป็นสิ่งปฏิลอยู่ก็ย่อมมีสัญญาดังนั้น ถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงละวางสิ่งที่ปฏิกูนและไม่ปฏิกูนทั้งสองนั้นเสียมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ก็ย่อมมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งที่ปฏิกูนและไม่ปฏิกูนนั้นอยู่นี้คือฤทธิ์ที่ไม่มีอาสวะไม่มีอุปธิเรียกว่าอริยะถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทั้งหมดนี้คือเทศนาอันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาพย่อมทรงรู้ยิ่งธรรมข้อนั้นไม่มีเหลืออยู่เมื่อทรงรู้ยิ่งธรรมข้อนั้นไม่มีเหลืออยู่ก็ไม่มีธรรมข้ออื่นที่จะทรงรู้ยิ่งขึ้นไปอีกจะพึงมีสมณะหรือพราหมณ์อื่นผู้รู้ธรรมยิ่งมีปัญญาเกินไปกว่าพระผู้มีพระภาพในเรื่องการแสดงฤทธิ์อีกหรือพระสารีบุตร แสดงคุณพระศาสดายอย่างอื่นอีกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสิ่งใดที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาในที่นี้หมายถึงพระโพธิสัตว์ทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันปรารบความเพียรประคองความเพียรมีความเพียรไม่ย่อย่อนมีเรียวแรงคือมีความพยายามอย่างมั่นคงจะพึงถึงด้วยเรียวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบันของบุรุษ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำธุระให้สาเร็จลุล่วงได้สิ่งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงบรรลุเต็มที่แล้วอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคไม่ทรงหมกมุ่นกับการมาสุขคาริการุโยกคือการหมกมุ่นด้วยการมาสุขในวัตถุกรรมซึ่งเป็นธรรมอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และไม่ส่งหมกมุ่นกับอัตตกิลมัฐานุโยคคือหมกมุ่นที่เป็นเหตุให้ตนเดือดร้อนเช่นการบำเพ็ญตบะแบบทรมานตนซึ่งเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงได้ฌานสี่อันมีในจิตยิ่งหมายถึงอยู่เหนือกามาวจรจิตซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ลำบากหมายถึงสามารถเข้าฌานตัดปัญจนีกระทําได้ง่ายส่วนโดยไม่ลำบากหมายถึงสามารถออกจากฌานได้ตามที่กำหนดไว้วิธีตอบคำถามค้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าบุคคลถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่ามีสมณะหรือพราหม์ผู้อื่นในอดีตการในอนาค ต, ตการและในปัจจุบัน ซึ่งมีปัญญาในทางพระสัมโพธิญาณยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคไหมข้าพระองค์จะพึงตอบว่าไม่มีแต่ถ้าเขาถามข้าพระองค์ว่ามีสมณะหรือพรามผู้อื่นในอดีตการและในอนาค ต, ตการซึ่งมีปัญญาในทางพระสัมโพธิญาณเสมอกับพระผู้มีพระภาคไหมข้าพระองค์จะพึงตอบอย่างนี้ว่ามีถ้าเขาถามว่า จะมีสมณะหรือพราหมณ์ผู้อื่นในปัจจุบันซึ่งจะมีปัญญาในทางพระสัมโพธิยานเสมอกับพระผู้มีพระภาคไหมข้าพระองค์จะพึงตอบว่าไม่มีเหตุเพราะข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระภักของพระผู้มีพระภาคว่าข้อที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์จะเกิดพร้อมกันในโลกธาตุเดียวกันนั้นไม่ใช่ฐานะ ไม่ใช่โอกาสที่จะเป็นไปได้พระสารีบุตรทูลถามว่าถ้าตอบดังนี้จะชื่อว่าผู้ตรงถูกต้องหรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกแล้วสารีบุตรเมื่อเธอถูกเข้อถามอย่างนี้ตอบอย่างนี้จะชื่อว่าผู้ตรงตามที่เรากล่าวแล้วทีเดียวไม่ชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยคําเท็จชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผล ไม่มีเลยที่คากล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตาหนิดได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอุทายีได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลามีอยู่แก่พระตถาคตผู้ทรงมีฤทธิ์มากอย่างนี้ทรงมีอนุภาพมากอย่างนี้ แต่ถึงกระนั้นก็ไม่ทรงโอ้อวดถ้าพวกอัญญะเดียรถีบริพาชกได้เห็นประจักษ์ธรรมแม้เพียงข้อเดียวจากธรรมของพระองค์แล้วด้วยเหตุเพียงเท่านี้พวกเขาจะต้องยกทงเที่ยวประกาศเป็นแน่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุทายีเธอจงดูความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาวของตถาคตผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้ ต่ถึงกระนั้นก็ไม่อ้อวดครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่าเพราะเหตุนี้แหละสารีบุตรเธอพึงกล่าวธรรมบัญญายนี้แก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหนึ่งเนืองเถิดพวกโมฆบุรุษที่มีความสงสัยหรือความเคลือบแคลงในตถาคตฟังธรรมบรรยาานี้แล้วจกละความสงสัยหรือความเคลือบแคลงในตถาคตนั้นได้ เพราะเหตุที่ท่านพระสารีบุตรประกาศความเลื่อมใสนี้เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคฉะนั้นเวยยกรณพาสิทธนี้จึงมีชื่อว่าสัมปสาธนียะในส่วนของพระอุทายีพระเทระชื่ออุทายีมีสามองค์คือหนึ่งพระโลลุทายี 2. พระกาลุทายีและ 3. พระมหาอุทายี ในที่นี้หมายถึงพระมาหาอุทายีวียกรณภาศิษฐ์หมายถึงพระสูตรที่ไม่มีคาถาเป็นร้อยแก้วล้วนจบสัมปัสสธนิยสูตร